5. จิตตาคารวักสิกขาบทที่หนึ่งส อ, งอสสภิกษุณีไปดูโรงละครหลวงหอจิตรกรรมสวนสาธารณะอุทยานหรือสะโบกขรณีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังไปต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ยืนในที่ที่มองเห็นต้องอาบัตปาจิตตี